บันทึกที่5ปัญหาการแปลคำว่านิโรธนิโรธแปลกันมาอย่างเดียวว่าดับจนกล่าวได้ ว, ว่ากลายเป็นแบบตายตัวถ้าแปลยอย่างอื่นอาจถูกหาว่าแปลผิดหรือเข้าใจว่าแปลาจากคำอื่นที่ไม่ใช่นิโรธแต่ในหนังสือนี้ก็ต้องแปลาตามนิยมว่าดับเพื่อสะดวก และไม่ให้เข้าใจเป็นคําอื่นซึ่งยังหาคํากระทัดรัดแทนไม่ได้แต่ความจริงการแปลว่าดับนั่นแหละมีหลายกรณีที่อาจทําให้เข้าใจผิดและว่าตามหลักบางคราวก็ไม่ใช่คําแปลที่ถูกต้องคําว่าดับตามปกติหมายถึงการทําสิ่งที่เกิดมีขึ้นแล้วให้หมดสิ้นไปหรือการหมดสิ้นไปของสิ่งที่เกิดมีขึ้นแล้ว นิโรธในปฏิจจสมุปบาทและในทุกขานิโรธอริยสัจหมายถึงการที่สิ่งนั้นๆไม่เกิดขึ้นไม่มีขึ้นเพราะไม่มีเหตุที่จะทําให้มันเกิดขึ้นเช่นเพราะอาวิชานิโรธสังขารจึงนิโรธซึ่งแปลกันว่าเพราะอาวิชาดับสังขารจึงดับนั้นความจริงหมายถึงว่าเพราะอาวิชชาไม่มีหรือไม่เกิดขึ้น หรือหมดปัญหาที่เนื่องจากอาวิชชาแล้วสังขารก็ไม่มีไม่เกิดขึ้นหรือจึงหมดปัญหาที่เนื่องจากสังขารเมชัยจะต้องหมายความว่าทำอวิชชาที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดสิ้นไปสังขารที่เกิดขึ้นแล้วจึงหมดสิ้นไปนิโรธที่ควรแปลว่าดับนั้นตามปกติท่านใช้ในความหมายที่แสดงสภาวะตามธรรมดา หรือธรรมชาติของสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายเป็นไวยพ์อย่างหนึ่งของคำว่าพังที่แปลว่าแตกสลายหรืออนิจจะขยะวยะเป็นต้นเช่นในบาลีว่าอิมาโคพิกเวติดโสเวทนาอนิจจะสังขตาปฏิจจสมุปป น, นาขยะธรมะธรมาวยธรรมาวิราคาธรรมานิโรธธรรมาภิกษุทั้งหลาย เวทนาสามเหล่านี้และเป็นสิ่งปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นไม่เที่ยงมีอันเสื่อมสิ้นมาลายจางหายดับไปเป็นธรรมดาองค์ทุกข้อในปฏิจจสมุปบาทมีสภาวะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดความหมายในแง่นี้ว่าสังขารทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเสื่อมสลายไปเองตามธรรมดาของเหตุปัจจัย ไม่ต้องไปพยายามดับมันก็ดับกรณีนี้มุง่งพูดแสดงสภาวะสัมพันธ์กับการปฏิบัติเพียงว่าเป็นของเกิดได้ก็ดับได้ส่วนนิโรธในทุกขนิโรธาอริยสัตว์ซึ่งเท่ากับปฏิจจสมุปบาทนิโรทวาระแม้จะกล่าวถึงกระบวนการตามธรรมชาติ แต่เป็นกระบวนการที่แสดงโดยมุ่งให้ชี้บ่งถึงการปฏิบัติท่านให้แปลได้สองอย่างอย่างหนึ่งมาจากนี้เท่ากับอภาวะคือไม่มีบวกโรทะเท่ากับจาระกะคือคุกที่คุมขังเรือนจำที่กักกันเรื่องปิดล้อมสิ่งกีดขวางจำกัดจึงแปลว่า ไม่มีสิ่งกีดกั้นจำกัดหรือหมดเครื่องกักกันอธิบายว่าไม่มีเครื่องปิดกั้นจำกัดอันได้แก่ที่คุมขังคือสังสาระอีกอย่างหนึ่งนิโรธในที่นี้ตรงกับอนุปาธะแปลว่าไม่เกิดขึ้นวิสุทธิมรดีกา กำกับความไว้อีกว่านิโรธาศัพท์ในที่นี้ไม่แปลว่าพังคือดับสลายเป็นอันว่าการแปลนิโรดว่าดับถ้าไม่ถึงกับผิดก็ไม่สู้ตรงความหมายที่ถูกต้องแต่จะหาคำแปลอื่นก็ยังหาคำโดดที่รัดกุมคมความดีไม่ได้จึงยอมไปตามนิยมก่อนแต่ต้องทำความเข้าใจกันว่าหมายความอย่างนี้อย่างนี้ โดยในยะนี้สูรตรปฏิจจสมุปบาทฝ่ายนิโรทวาระอาจแปลทํานองนี้ว่าเพราะปลอดอวิชชาจึงปลอดสังขารเพราะอาวิชชาปลอดไปสังขารจึงปลอดไปเพราะอาวิชชาหยุดก่อผลสังขารจึงหยุดก่อผลหรือเพราะอาวิชชาหมดปัญหาสังขารจึงหมดปัญหาดังนี้เป็นต้น แม้ในปฏิจจสมุตบาทฝ่ายสมุทรไทยวาระก็มีปัญหาในการแปลบ้างเหมือนกันคำบาลีนั้นกินความหมายกว้างกว่าที่จะแปลตายตัวเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งในภาษาไทยอย่างที่ว่าอาวิชชาปัจญาสังคารานั้นกินความหมายด้วยว่าเพราะอาวิชชาอย่างนี้สังขารจึงอย่างนี้สังขารอย่างนี้วิญญาณจึงอย่างนี้ วิญญาณอย่างนี้นามรูปจึงอย่างนี้นามรูปอย่างนี้สลายตัณจึงอย่างนี้สลายตนะอย่างนี้ผัสสะจึงอย่างนี้ผัสสะอย่างนี้เวทนาจึงอย่างนี้เวทนาอย่างนี้ตัณหาจึงอย่างนี้ตัณหาอย่างนี้อุปาทานจึงอย่างนี้อุปาทานอย่างนี้พบจึงอย่างนี้ พบอย่างนี้ชาติจึงอย่างนี้เพราะชาติชรามรณะจึงมีปิยาน